เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25ม ก, การาคมพุทธศักราช2552เป็นวันพระวันธรรมวัวนะวันฟังธรรม เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริตัทผู้มีจิตศรัทธาแน่วแน่ต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประพฤติมาปฏิบัติมาบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดสาระที่พึ่งขึ้นมาในใจ เป็นเหตุที่จะทำให้ปรากฏขึ้นแห่งพุทธธรรมะสังขะขึ้นมาภายในใจเพื่อเป็นสารณะที่พึ่งของใจปกป้องคุ้มครองใจให้ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีพระรัตนตรัยเท่านั้นที่จะสามารถ ปกป้องจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้การบำเพ็ญบุญกุศลเป็นวิธีการที่จะทำให้พรารัตนไตายปรากฏขึ้นมาในใจตอนที่เราแปลงวาจากล่าวคำว่าพุทธังธรรมังสังคัง สารนํากัามินี้เป็นการปรารบเจตนาแต่ยังไม่ได้มีพระสาร ะ, ะเกิดขึ้นในใจเพียงแต่จะน้อมเอาสาร ะ, ะที่มีอยู่ภายนอกที่เรากราบว่าบูชานี้ให้เข้ามาสู่ในใจเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของใจ ถ้ายังไม่ได้มีสาระอยู่ในใจสาระภายนอกเช่นพระพุทธรูปพระธรรมคำสอนหรือพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายก็ไม่สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจของเราให้ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจได้เพราะสาระภายนอกเป็นเพียง เป็นเพียงป้ายโฆษณาบอกให้รู้ว่ามีสาระนี้อยู่ในโลกนี้แล้วและวิธีที่จะทำให้สาระนี้ปรากฏขึ้นมาที่ใจก็อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของผู้ปฏิบัตินั่นเองถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อมนำเอาเพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติที่กายวาจาใจของตนแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะปรากฏเป็นสาระขึ้นมาภายในใจเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้แล้วว่าผู้ที่จะเห็นตถาคตภายในใจได้นั้นจะต้องเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุมรรคผลขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นโสดาบาันขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมเพราะ ผู้ที่บรรลุอริยธรรมอริยผลขั้นแรกคือพระโสดาบันนี้จะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าและจะเห็นพระอริยสงฆ์เพราะพระอริยสงฆ์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเห็นธรรมนั่นเอง เมื่อได้เป็นพระ อ, อริยสงฆ์แล้วก็จะมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจไว้ปกป้องคุ้มครองจิตใจไม่ให้ตกต่ำอีกต่อไปพระโสดาบันนี้เมื่อท่านได้บรรลุถึงแล้วท่านจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ท่านจะเคยทำบาปทำกรรมมา มากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ธรรมะที่ได้ปรากฏขึ้นในใจเป็นแสงสว่างที่จะส่องทางให้พระโสดาบันหลีกเลี่ยงการไปสู่อบายได้ต่างกับปุตุชนอย่างพวกเราที่ยังไม่มีแสงสว่างยังเดินอยู่ในที่มืดอยู่ยังมองไม่เห็นทางสวรรค์หรือทางนารก เราเดินไปตามความรู้สึกนึกคิดของเรานึกอยากจะทําอะไรก็ทําทําแล้วก็ต้องไปใช้กรรมต่อไปส่วนใหญ่ความรู้สึกนึกคิดของปุ้ตืชนนี้จะคิดไปในทางไม่ดีจะคิดไปในทาง ท, าทําบาปทำำํากรรมแล้วผลก็คือนรกหรืออบายก็จะเป็นผลที่ตามมา แต่พระอาริยสงฆ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านมีไฟฉายมีแสงสว่างนำทางท่านจะรู้ว่าทางนี้จะไปสู่นรกหรือไปสู่สวรรค์ถ้าท่านเห็นว่าเป็นทางที่จะไปสู่นรกท่านก็จะไม่ไปท่านจะไปทางสู่สวรรค์อย่างเดียวเพราะท่านรู้แล้วว่าเหตุ ที่จะทำให้ไปนรกก็คือการทำบาปทำกรรมนี้เองเหตุที่จะไปพาให้ไปเกิดในอบายก็คือการทำบาปทำกรรมพระโสดาบันจึงมีศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์เป็นธรรมชาติของใจของพระโสดาบันจะสมาทานหรือไม่สมาถานก็ตามจะมีพระมาบอกศีลให้ในวันพระหรือไม่ก็ตามไม่สำคัญเพราะ ใจของพระโสดาบางรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะละเมิดศีลทั้งห้าข้อนี้ได้อีกแล้วเพราะมีหิริอุตปะมีความอายมีความกลัวบาปกลัวจะต้องไปตกนรกเพราะรู้ว่าการกระทำบาปนี้เองที่เป็นเหตุที่นำพาสัตว์โลกให้ไปตกนรกให้ไปอาบาย ไม่มีเหตุอย่างอื่นใดที่จะพาไปเมื่อเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วท่านก็จะไม่ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งอีกต่อไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าจะต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกเปลี่ยนท่านก็จะยินดีที่สละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าให้สละทรัพย เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือศีลลธรรมนี้เองผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เหมือนกับผู้ที่เห็นกองไฟคนที่เห็นกองไฟจะต้องหลีกเลี่ยงกองไฟเสมอจะไม่มีใครเดินเข้าหาเดินเข้าไปในกองไฟ นอกจากคนที่ตาบอดเท่านั้นที่มองไม่เห็นกองไฟถึงจะเดินเข้าไปหากองไฟได้ชันใดพระอริยเจ้าที่มีสรณะคือมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะไม่เดินเข้าไปในอบายอีกต่อไปส่วนพวกเราผู้เป็นปุถุชนยังไม่มีสรณะยังไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ยังขาดธรรมพุท ธ, ธสังขะอยู่ภายในใจเรายังไม่มีความแ น, วแน่วแน่มั่นคงต่อการรักษาศินห้าบางเวลาถ้าเรามีความจาเป็นเรายังสามารถที่จะละเมิดสินห้าได้ <c oughs> ชเช่นเราบางครั้งเรายังต้องพูดปกดอยู่เพราะเรายังเสียดายของบางอย่างหรือบุคคล บางคนกลัวว่าถ้าเราพูดความจริงแล้วเราจะสูญเสียของนั้นไปหรือบุคคล น, นั้นไปเราก็จะไม่กล้าพูดความจริงเราก็จะพูดปดมดเท็จแต่ถ้าเป็นพระอริยสงฆ์แล้วท่านจะไม่สนใจว่าจะเสียของหรือเสียบุคคล น, นั้นไปท่านไม่ต้องการ ที่จะเสียสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือศีลธรรมนี้เองท่านจะไม่พูดปดพูดความจริงไปถ้าเขาไม่ชอบใจเขาอยากจะทิ้งเราไปก็ปล่อยให้เขาทิ้งไปคนในโลกนี้ไม่ได้มีอยู่คนเดียวคนในโลกมีอยู่เป็นหลายร้อยล้านหลายพันล้านคนด้วยกันเสียคนเดียวไปจะไปเดือดร้อนอะไร ยังมีคนต้องหลายคนที่เขายินดีที่จะคบค้าสมาคมกับเราแต่ถ้าเสียศีลธรรมแล้วเราเสียคนเราจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราด้วยถ้าเรารู้ว่าถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุดเลยเป็นคนพูดปดมดเท็จก็จะไม่มีใครเชื่อฟังเรา จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราดังนั้นบุคคลที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะเห็นคุณค่าของศีลธรรมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะสิ่งอื่นๆในโลกนี้ไม่สามารถยับยั้งการไปเกิดในอบายได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานาธิบดี หรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นด้วยการกระทำบาปได้มาจากการกระทำบาปแล้วตายไปก็ต้องไปอาบายอย่างแน่นอนเพราะหลักของกรรมเป็นอย่างนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีใครที่จะมาลบล้างกฎแห่งกรรมนี้ได้ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าทำไปแล้ว จะต้องเกิดผลขึ้นมาถึงแม้จะไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมแต่ทําความดีอยู่เรื่อยๆก็จะไปสวรรค์ก็จะไปสู่สุขติถึงแม้จะเชื่อว่าเชื่อในกฎแห่งกรรมแต่ยังไม่สามารถที่จะหยุดการกระทําบาปได้ตายไปก็ยังต้องไปเกิดในอบาย อ, อยู่ดีไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สัตว์โลกให้มันทำความดีให้มันรักษาความดีให้มันละบาปและให้มันป้องกันบาปที่ได้ละแล้วไม่ให้กลับมาม่นี่คืองานของพุทธศาสนิกชนงานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่ตรงนี้เองให้มีความหมั่นเพียรทำความดีที่ยังไม่มีในตนให้เกิดขึ้นถ้าไม่เคยทำบุญให้ทานก็ให้ทให้เริ่มทาบุญให้ทานถ้าเคยทำบุญให้ทานแล้วก็ให้ทำต่อไปและให้ทำมากยิ่งขึ้นไปถ้าไม่เคยละบาปเลยก็ให้เริ่มละบาปไม่เคยถือศีลเลยก็ให้ถือศีล ถ้าเคยถือศีลแล้วก็ให้ถือต่อไปและให้ถือมากยิ่งขึ้นไปถ้ารักษาได้เพียงข้อเดียวก็ให้เพิ่มเป็นสองข้ออยากสองข้อก็ไปเป็นสามข้อสี่ข้อห้าข้อถ้ารักษาได้เพียงวันเดียวเช่นในวันพระต่อไปก็ให้รักษาเพิ่มขึ้นไปรักษาก่อนวันก่อนวันพระและวันหลังวันพระเป็นสามวัน หลังจากนั้นก็เพิ่มไปเป็นสี่วันเป็นห้าวันเป็นหวันเป็นเจ็ดวันต่อไปก็รักษาไปทุกวันเลยนอกจากเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากยังเป็นปุตุชนอยู่ยังไม่มีสติปัญญารู้ทันกิเลสบางครั้งอาจจะเกิดการทั้งเผลอขึ้นมาพูดปดออกไป แลหยิบของผู้อื่นที่เขายังไม่ให้มาเพราะว่าใจของปุุ้ชนนี้ยังไม่มีสติเต็มที่นั่นเองที่จะสามารถควบคุมการกระทําของใจได้ตลอดเวลาในช่วงที่พังเผลอก็อาจจะไปทําบาปทากรรมได้แต่ถ้าได้ทําแล้วก็ถ้าสำนึกบาปก็ควรที่จะไปแก้บาปเสีย ถ้าเราเอาของเขามาเราก็เอาไปคืนเขาเสียถ้าเราไปพูดปดก็ไปสารภาพไปบอกเขาว่าที่พูดนั้นไม่ได้เป็นความจริงเสียถึงแม้จะไม่ไล่ลบล้างบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้แล้วแต่อย่างน้อยก็ทำให้มันเบาขึ้นทำให้เรามีความละอายที่จะทำบาปต่อไป นี่คือเรื่องของการกระทำที่จะทําให้เรานั้นพัฒนาเสริมสร้างสาระที่พึ่งในใจให้เกิดขึ้นมาถ้าเรามันทำความดีอยู่เรื่อยมันลาบาปอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปใจของเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในใจสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจก็จะค่อยหมดไปหมดไป แล้วความสุขที่เป็นผลที่เกิดจากความดีก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์ที่เกิดจากการจากการกระทาความไม่ดีก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปจนในที่สุดก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจมีแต่ความสุขอยู่ในใจเพียงถ่ายเดียวทุกอย่างนี้เกิดจาก การปฏิบัติของเราเองเราเป็นที่พึ่งของเราเองเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเพื่อสร้างสาระที่พึ่งอันประเสริฐขึ้นมาภายในจิตในใจพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งของพระ อ, องค์เองทรงปฏิบัติเองจนปรากฏมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งเหมือนกันของท่านเอง ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนปรากฏมีพระรันตนกายคือพุทธธรรมสังข์ขึ้นมาภายในใจนี่แหละคือสาระที่แท้จริงต้องเป็นสาระที่ปรากฏขึ้นในใจสาระที่เรากราบไหว้บูชาอยู่ภายนอกนี้ยังไม่ได้เป็นสาระที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเรากราบพระเราขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ อธิษฐานอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเรายังทําบาปทําในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เราก็ยังจะต้องทุกข์จะต้องมีความวุ่นวายใจอยู่เพราะสาระภายนอกนั้นไม่สามารถมาปกป้องคุ้มครองรักษาทุกข์ภัยที่จะเกิดขึ้นกับใจของเราได้นอกจากสาระภายใน ที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเพราะเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็จะไม่กระทำบาป ท, ทำกรรมเราจะไม่ทำสิ่งที่เลวร้ายชั่วร้ายทั้งหลายเมื่อเราไม่ทำผลของมันก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาในใจอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การกระทำอยู่ที่หลักกรรมนี้เอง ทำดีได้ดีทำเชั่วได้ชั่วสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพวกเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ ก็เป็นเพราะผลของบุญของกรรมที่เราได้ทำมาในอดีตและมีความแตกต่างกันก็เพราะว่าเราทำมาไม่เท่ากันนั่นเองมีทาบุญมากน้อยต่างกันทำบาปทำกรรมมามากน้อยต่างกันสภาพชีวิตของเราจึงมีความแตกต่างกันเรามีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกัน มีความสวยงามผิวพรรณทองใสไม่เท่ากันมีสติปรรัญญาความรู้ความสามารถไม่เท่ากันมีฐานะการเงินการทองไม่เท่ากันก็เพราะในอดีตรเราทำมาไม่เท่ากันนั่นเองเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารแต่ละคนนี้จะมียอดเงินฝากไม่เท่ากัน เพราะแต่ละคนนั้นเอาไปฝากไม่เท่ากันนั่นเองดังนั้นเวลามาเกิดในโลกนี้จึงมีความแตกต่างกันเราแตกต่างกันเพราะบุญบา ร, รมีที่เราได้เสริมสร้างมาไมมันต่างกันนั่นเองบุญบา ร, รมีจึงทำให้เรานี้มีความเจริญก้าวหน้าไม่เท่าเทียมกัน บางคนมีบุญบา ร, รมีมากเขาก็เจริญก้าวหน้ามากบางคนมีบุญบา ร, รมีน้อยก็เจริญก้าวหน้าน้อยเรื่องนี้แข่งกันไม่ได้แข่งรถแข่งเรือยังพอลแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งบา ร, รมีนี้แข่งไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา ถ้าในอดีตเราไม่ได้สร้างบุญบารมีมามากพอในปัจจุบันนี้ยังไม่สายเกินไปเรายังมีชีวิตยอยู่ถ้าเราอยากจะให้เราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่านี้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่านี้ผิวพรรณผอมใสกว่านี้มีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมากขึ้นกว่านี้มี ทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองมากขึ้นกว่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างบุญบา ร, รมีในวันนี้ได้แล้วในวันหน้าบุญบา ร, รมีนี้ก็จะส่งผลให้เราได้เกิดมาดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในชาตินี้อย่างแน่นอนไม่มีอย่างอื่นที่จะทำให้เราดีขึ้นจเจริญขึ้นได้ นอกจากการบ ำ, บำเพ็ญบุญบารมีและไม่มีอะไรที่จะทําให้เราเสื่อมให้เราตกต่ําได้นอกจากการทําบาปทํากรรมเท่านั้นไม่มีใครสามารถมาสาบมาแช่งให้เราตกท ร, รกให้เราเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ต่อให้เขาดา่าเขาสาบเขาแช่งไปทั้งคืนทั้งวันกี่ร้อยกี่พันปีก็ตาม ก็ไม่สามารถทำให้เราเป็นไปตามคำสาปของเขาได้ต่อให้เขายกย่องสรรเสริญหรือชื่นชมยินดีอวยพรให้เราได้ดิบได้ดีให้ไปเกิดในที่ดีให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างไรก็ตามต่อให้เขาให้พรไปมากน้อยเพียงไรก็ตาม มันก็จะไม่สามารถทําให้เราดีตามที่เขาอวยพรให้กับเราได้เพราะการอวยพรหรือการสาปแช่งนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เราดีหรือจะทําให้เราเลวได้แต่อย่างใดอยู่ที่การกระทําของเราเท่านั้นอยู่ที่การกระทําทางกายวาจาและใจเท่านั้นโดยเฉพาะการกระทําที่ใจเป็นตัวสําคัญที่สุดเพราะการกระทําของ วาจาและของกายนี้เกิดจากการกระทาของใจเป็นผู้เริ่มต้นก่อนก่อนที่เราจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนใจต้องคิดก่อนความคิดนี่แหละก็คือการกระทำทาใจความคิดนี้ก็คิดไปได้สองทางใหญ่ๆคิดไปในทางดีก็ได้คิดไปในทางบาปก็ได้ เช่นคิดจะทำบุญก็ได้คิดจะทำบาปก็ได้วันนี้ญาติโยมคิดจะทำบุญก็เลยสั่งให้มาสั่งให้ร่างกายมาที่วัดมาเอาข้าวเอาของมาทำบุญดังนั้นการกระทำที่สำคัญที่สุดนี้อยู่ที่ใจเป็นหลักถ้าจะรักษาอะไรถ้าเราจะรักษาศีหห้าให้ได้ดีก็ต้องรักษาที่ใจเป็นหลัก ใจเป็นผู้สั่งการถ้าจะพูดปดใจก็ต้องคิดก่อนว่าจะพูดปดถึงจะพูดไปถ้าจะดื่มสุราใจก็ต้องคิดก่อนว่าจะดื่มสุราถ้าเราสามารถควบคุมใจได้แล้วเราก็สามารถรักษาศีลได้ไม่ว่ากี่ข้อก็ตามศีลห้าก็รักษาได้ศีลแปก็รักษาได้ศีลสองิบเจ็ดข้อก็รักษาได้ เพราะเรารักษาใจให้สงบให้คิดดีให้พูดดีทำดีเท่านั้นเองนี่คือตัวการตัวที่ทำบาปทำกรรมทำดีทำชั่วก็อยู่ที่ใจของเรานั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเฝ้าดูใจให้มีสติคอยดูใจเราเป็นหลักคอยดูว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังพูกำลังคิดอะไร เพราะเมื่อเราคิดแล้วมันก็จะไหลออกไปทางวาจาและทางกายต่อไปถ้าเรามีสติพอเรารู้ว่าเราคิดดีเราก็เปิดไฟเขียวปล่อยให้ไปได้เช่นคิดมาทำบุญก็ไฟเขียวไปไปได้ไปวัดไปทำบุญถ้าคิดจะไปทำบาปไปดื่มสุรายาเมลไปเล่นการพนันก็ต้องเปิดไฟแดง ก็ต้องเบรคเอาไว้หยุดใจบอกสอนใจว่าทำไปแล้วไม่ดีคิดถึงผลเสียหายที่จะตามมาดื่มสุราแล้วก็จะขาดสติทำให้ไม่สามารถครวบคุมกิิยาอาการให้ตั้งอยู่ในความเรียบร้อยได้คนซึ่งเป็นคนดื่มสุราแล้วเมานี้จะเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เป็นคนที่น่ารังเกียจ ไม่น่าเคารพนับถือถ้าเราอยากจะให้คนรักเรานับถือเราเราก็ต้องละเว้นจากการดื่มสุราต้องมีสติสามารถควบคุมความคิดของเราให้คิดอยู่ในกรอบของความดีงามได้ให้สามารถพูดดีได้ทำดีได้นี่เป็นตัวสำคัญที่สุดในเรื่องของกรรม อยู่ที่ใจเราใจนี้เป็นเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นผู้สร้างและเป็นผู้รับผลของกรพอเพียงแต่คิดไม่ดีขึ้นมาใจก็ร้อนแล้วใจก็ทุกข์แล้วเช่นไม่พอใจใครขึ้นมาอย่างนี้ใจก็ร้อนแล้วเมื่อร้อนแล้วก็ยิ่งจากคิดจะไปทำร้ายเขาก็ยิ่งใจก็ยิ่งร้อนใหญ่ แต่ถ้ามีถ้าคิดดี mm hmm. ก็คิดว่าช่างเขาเถอะเขาดีเขาชั่วมันเรื่องของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้ mm hmm. เราบังคับใจเราได้เราควบคุมใจเราให้สงบดีกว่าอย่าไปเดือดร้อนกับความดีความชั่วของเขาเลย mm hmm. ถ้าเราดูใจเราจะสามารถสอนใจและระงับความรุ่มร้อนของใจได้ แต่ถ้าเราไม่มีสติดูใจเราจะไปดูสิ่งที่จะสร้างความรุ่มร้อนให้เกิดมากขึ้นเวลาใครเขาพูดไรไม่พอใจเราก็จะไปพุ่งไปที่เขาเลยจะมองเขาจะคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาพอยิ่งมองยิ่งคิดก็ยิ่งร้อนขึ้นมาใหญ่จนทนไม่ได้จะต้องพูดพูดไม่ดีกลับไปหรือจะต้องทุบตีกันต่อไป เพราะเราไม่ได้มองที่ใจเราเราไปมองคนที่ทำให้เราร้อนขึ้นมานั่นเองทางที่ถูกแล้วเราต้องมองเข้ามาที่ใจเราเพราะที่เป็นปัญหาไม่ใช่คนที่พูดแต่คนแต่ใจของเราที่กาลังร้อนอยู่เราต้องรีบย้อนกลับมาที่ใจของเราเพื่อมาดับไฟคือความร้อนที่ใจด้วยการสอนใจให้เห็นโทษถึงความร้อนของใจว่า ว่าโทษนี้ขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่คนที่เขาพูดไม่ดีหรือทาไม่ดีแต่อยู่ที่ใจของเราไปร้อนต่างหาเราไปร้อนกับเรื่องของเขาทำไมเรื่องของชาวบ้านมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราสักหน่อยเลยเราไปร้อนทำไมเราไปเจ็บตัวทำไมถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะดับความร้อนภายในใจได้ปล่อยให้ คนเขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาเพราะเขาก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกันเขาทำดีเขาก็ได้ดีเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วหรือดีเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาให้เราทุกข์ร้อนขึ้นมาโดยโดยเปล่าประโยชน์นี่คือการรักษาศีลที่ถูกต้องก็คือรักษาที่ใจเราด้วยสติ ให้คอยดูใจเราเสมอว่ากำลังมีอารมณ์อะไรอยู่หรือเปล่ามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีถ้ามีอารมณ์ไม่ดีก็พยายามดับมันเสียถ้าดับด้วยเหตุผลได้ก็ดับไปเช่นสอนใจว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นโทษกับใจเพราะเป็นการสร้างไฟนรกให้เกิดขึ้นมาภายในใจถ้าสอนไม่ได้ก็อย่าไปคิดถึง คนที่ทำให้เราโกรธให้เราคิดถึงพระพุทธพระเจ้าแทนด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอย่าไปมองถึงคนที่ทําให้เราโกรธให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปไดเรื่อยไม่นานเดี๋ยวใจก็สงบเย็นลงไปเองถ้าเรามีสติคอยดูใจแล้วเราจะสามารถรักษาใจของเราให้ตั้งอยู่ในปกติได้ ถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นก็สามารถระงับดับมันได้เมื่อเราไม่มีอารมณ์แล้วเราก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราคิดดีพูดดีทดําดีเราก็จะมีความสุขภายในใจและคนที่เกี่ยวข้องกับเราก็มีความสุขกับเราและมีความชื่นชมยินดีในตัวเรารักเรานับถึงเรา อยู่ที่การดูแลรักษากายวาจาใจของเหล่านี้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังกันในวันนี้นั่นเองจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้นำเอาไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของท่านเพื่อให้ เกิดสาระที่พึ่งทางใจขึ้นมาเพื่อจะได้ปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านอยู่อย่างล่มเย็งเป็นสุขกันไปตลอดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุสมผลบุญที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภาระโดยทั่วหน้ากัรเธอ